สิสัมมาทิฐิคือตัวศาสนาพุทธวงเล็บเปิดยีกรกฎาคม2551ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดถามว่าอะไรคือตัวศาสนาพุทธแท้ตัวสัมมาทิฐินะคือตัวศาสนาพุทธคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกในสภาวะธรรมจนกระทั่งปล่อยวางความยึดถือสภาวะธรรมทั้งปวงได้ความทุกข์มันเกิดจากจิตเข้าไปยึดถือสภาวะธรรมบ้างไปยึดถือสมมติบัญญัติบ้างสมมุติบัญญัติไม่มีตัวจริง เรื่องราวที่เราคิดเรานึกเราปรุงเราแต่งเราไปยึดถือถามว่าแล้วไปยึดถือตัวสมมติบัญญัติจริงหรือเปล่าไม่ใช่หรอกมันไปยึดถือความคิดความเห็นของเราเองมันรู้สึกอันนี้ของเรามันเข้าไปผูกพันไปยึดถือไปยึดถือร่างกายก็ทุกข์เพราะร่างกายไปยึดถือสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าสั่งสอนว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ความยึดถือหรือตัวอุปทานนั่นแหละคือตัณหาที่มีกําลังแรง ตัณหานั้นคือสภาวะ ร, รมอะไรตัณหาคือโลภะฉะนั้นองค์ธรรมของตัณหาคือโลภะตัวรักนั่นเองท่านถึงสอนที่ได้มีรักที่นั่นมีทุกข์เพราะรักแล้วเข้าไปยึดพอไปยึดแล้วมันแปรปรวนไปก็เป็นทุกข์ไปรักมันแล้วไม่ได้มันมาก็เป็นทุกข์ได้ของที่ไม่รักมาก็เป็นทุกข์อีกมีแต่เรื่องทุกข์ท่านนั้นเลยอย่างร่างกายเราก็รักมันมาก เราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายห้ามมันไม่ได้พอเราไม่อยากเราก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วเราอยากให้มันอยู่แล้วมันไม่อยู่เราอยากให้มันแข็งแรงแล้วมันไม่แข็งแรงเราอยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไปแล้วมันแก่เป็นทุกข์ไม่สมอยากเรารักอะไรเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นแหละในบาลีบอกรักวัวก็ทุกข์เพราะวัวรักนาก็ทุกข์เพราะนาคนรุ่นนี้ไม่มีวัวก็รักรถเก๋ง มีรถเก๋งอยู่รักมากเป็นทุกข์เพราะมันนะไม่มีข้าวให้มันกินแล้วน้ำมันมันแพงฉะนั้นรักอะไรก็ทุกข์เพราะอันนั้นเราเรียนรู้ลงมาในกายในใจในสิ่งที่เรารักทั้งหลายในโลกนี้มันเกิดจากเรารักตัวเองก่อนอย่างเรารักลูกรักเมียรักครอบครัวรักอะไรต่ออะไรขึ้นไปนี่เพราะมันเป็นของเราฉะนั้นลึกลงไปที่สุดมันรักตัวเองสิ่งที่เป็นตัวเองก็คือกายกับใจ ฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจจนเห็นความจริงว่าไม่น่ารักหรอกกายนี้ใจนี้เป็นของไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นของทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราแปรปรวนไปเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยของมันจะเรียนลงไปจนกระทั่งเห็นความจริงจะยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจิตใจเรายอมรับความจริงว่าจิตใจเราต้องเจอสิ่งที่ไม่รักบ้างต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักบ้าง ต้องไม่สมปรารถนาบ้างนี่ถ้าใจมันยอมรับความจริงได้ใจมันจะไม่ทุกข์ที่มันทุกข์เพราะมันไม่ยอมรับความจริงความจริงว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องเจอสิ่งที่ไม่รักต้องอยากแล้วไม่สมอยากเป็นความจริงของโลกของชีวิตเรามหัดเจริญวิปัสสนามาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจก็เพื่อให้เห็นความจริงตรงนี้แหละจนกระทั่งวันหนึ่งใจยอมรับความจริงเอาความจริงมาป้อนให้จิตมันดูทุกวันร่างกายมันเป็นอย่างไร ร่างกายมันมีแต่ความทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ใครว่านอนไม่ทุกข์นอนแล้วไม่ได้พลิกก็ทุกข์ต้องพลิกไปพลิกมาเพราะความทุกข์มันบีบคั้นหายใจออกแล้วก็ทุกข์หายใจเข้าแล้วก็ทุกข์ถ้าหายใจออกแล้วไม่ทุกข์ก็หายใจออกไปเรื่อยๆสิต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์ฉะนั้นมันมีแต่ทุกข์เรามีสติรู้อยู่ที่กายเห็นกายเป็นก้อนทุกข์ทุกข์ล้วนๆเลยมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเห็นกายเป็นวัตถุเป็นก้อนา บางคนหัดจเจริญสติไปพักหนึ่งเห็นกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นรูปไม่ใช่ตัวเราหลายคนมารู้สึกถึงความเป็นรูปของกายตอนอาบน้ำทำไมรู้สึกตอนอาบน้ำเพราะกำลังถูตัวอยู่ใช่ไหมตัวรูปตัววัตถุธาตุนี่ธาตุดินที่เรารู้สึกแข็งๆนี่คือธาตุดินธาตุดินรู้ด้วยอะไรธาตุดินรู้ด้วยสัมผัสทางกาย ฉะนั้นธาตุดินรู้ด้วยกายนะเราจะมานั่งอยู่อย่างนี้แล้วจะเห็นกายว่าไอ้ก้อนนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นรูปอะไรนี่ดูยากเรียกว่าใช้อายทนะผิดตัวไปดูมันตัวรูปตัววัตถุธาตุเป็นธาตุดินธาตุดินรู้ด้วยกายกายยประสาทฉะนั้นอย่างเวลาเราอาบน้ำเราถูตัวถูไปเรื่อยถูไปนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาแวบเดียวพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เจตนาเกิดรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมา มันจะเห็นทันทีไอ้นี่เป็นก้อนอะไรไม่รู้เป็นแท่งๆไม่รู้ตัวอะไรทำไมมันต้องมีแฉกๆนะมันไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่เรียกว่ารู้ถูกแล้วรู้รูปก็ต้องรู้ให้ถูกรูปบางอย่างรู้ด้วยกายรูปบางอย่างรู้ด้วยตาบางอย่างรู้ด้วยหูบางอย่างรู้ด้วยจมูกรูปบางอย่างรู้ด้วยใจนี่มีหลายอย่างอย่างรูปยืนเดินนั่งนอนเรารู้สึกถึงการนั่งนี่ ไม่ต้องไปนั่งรูปว่านั่งตรงไหนถ้านั่งรูปจะเห็นธาตุเห็นธาตุสามคือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมส่วนธาตุน้ําเห็นด้วยใจรูปที่ยืนรูปที่เดินรูปที่นั่งรูปที่นอนเป็นรูปที่รู้ด้วยใจฉะนั้นเราหลับตาอยู่เราอุดหูด้วยลิ้นเราก็เก็บเอาไว้ไม่แลบมาเรียร่างกายใช่ไหมเรียถึงไหมไอ้เหลืองทําได้นะเวลาไอ้เหลืองเรียเรียถามว่ามันรู้ร่างกายด้วยประสาทอันไหนเวลามันเรียร่างกาย รู้ด้วยกายประสาทลิ้นตรงนั้นไม่ได้ทําหน้าที่รับรสอย่างตาเราเห็นรูปถ้าเราเอาไม้ทิ่มตาถามว่าตารับรู้อะไรอันนั้นรับรู้ด้วยกายประสาทไม่ใช่จักขูประสาทนะคนละทวารกันบางทวารบางรูปรู้ด้วยตาบางรูปรู้ด้วยหูบางรูปรู้ด้วยจมูกบางรูปรู้ด้วยลิ้นบางรูปรู้ด้วยกายบางรูปรู้ด้วยใจต้องรู้ให้ถูกนะจะมานั่งรูปแล้วบอกว่าเห็นรูปเดินนี่มันไม่เห็นหรอก มันเห็นแต่แท่งๆรูปลงไปบางทีเห็นเป็นแท่งๆเป็นท่อนๆนี่ธาตดินบางทีเห็นรูปมันอุ่นมันเย็นนี่เป็นธาตุไฟเห็นไหมบางทีมันตึงมันไหวมันกระดุกกระิกได้มันมีสปริงนี่เรียกว่าธาตุลมธาตุน้ํารู้ด้วยใจรู้ไม่ได้หรอกธาตุน้ําจริงๆคือแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลรู้ไม่ได้ด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายนี่ถ้าเรารู้ถูกชนิดมันก็จะเห็นความจริง ฉะนั้นหลายคนเลยถูสบู่ไปถูถูไปปุ๊บขึ้นมาเฮ้ยไม่ใช่เราหรอกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นก้อนธาตุส่วนจิตใจจะดูอ น, นิจจังง่ายร่างกายดูอ น, นิจจังยากร่างกายดูอ น, นิจจังยากเพราะอายุของรูปรูปมีอายุยืนกว่านามเพราะฉะนั้นดูยากส่วนจิตใจนี้มีแต่ความไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพวกเราที่มาฝึกดูจะเห็นจิตมันทางานทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมไม่เคยหยุดนิ่งเลย กระทั่งนอนหลับจิตก็ไม่หยุดนิ่งรู้สึกไหมจิตก็ทำงานทั้งวันทั้งคืนนี่มันไม่เที่ยงเห็นไหมมันทำของมันเองเราไม่ได้สั่งนะเราไม่ได้สั่งว่าอ้าวต่อไปนี้ดูอย่างเดียวดูทีวีใช่ไหมสังเกตเวลาดูทีวีเดี๋ยวก็ดูรูปด้วยตาเดี๋ยวก็ฟังเสียงด้วยหูเดี๋ยวก็คิดด้วยใจสลับกันตลอดเวลาสลับทางทวาร น, นั้นทีทางทวา น, นี้ทีแล้วอาศัยความจาลิงก์ในวงเล็บเชื่อมโยงทีแรกดูรูปก่อน เห็นมันทำปากแงบแงบอย่างนี้แล้วหูก็ไปฟังเสียงนี่จิตมันจําเอาไว้ทั้งหมดเลยพอจําแล้วมันมาประมวลหน่วยประมวลผลกลางคือจิตมันมาประมวลอยู่ที่จิตนี่เองถึงจะแปลได้ว่าไอ้รูปนี้มันเคลื่อนไหวอย่างนี้ปากมันพูดเรื่องนี้เรื่องนี้เราเกิดอารมณ์ร่วมขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันมีจริงมีจังความจริงไม่มีอะไรเป็นแสงในโทรทัศน์ ก็เป็นแค่แสงสีต่างๆที่เคลื่อนไหวไม่มีนัยยะอะไรเสียงที่มากระทบหูเป็นเสียงสูงๆต่ำๆำไม่มีนัยยะอะไรแต่อาศัยสัญญาเข้าไปแปลอาศัยใจเรานี้ไปแปลแปลออกมาเลยรู้เรื่องโอ้นางเอกถูกนางอิจฉาตบใจเรานิแป้วเลยเกลียดนางอิจฉาสงสารนางเอกพระเอกมันหลอกอีกแล้วมันเจ้าชู้เหลือเกินสงสารนางเอกอีกแล้วเกลียดพระเอกอะไรอย่างนี้ใจเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงหรือนางเอก แหมทำไมมันโง่มันถูกนางอิจฉาแกล้งมาตั้งแต่ตอนที่หนึ่งจนตอนที่5้าร้อยแล้วยังไม่จบเรื่องเลยโดนแกล้งทุกวันเกลียดนางเอกแล้วโมโหอินนี่โง่ถาวรสงสัยกรรมพันธุ์ไม่ดีนี่ชักโมโหแล้วใช่ไหมจากกรุณาจากสงสารนะกรุณาไม่ได้อย่างใจพลิกเป็นโทสะแล้วนี่ใจเราพลิกไปพลิกมาดีที่สติปัญญาเรารู้ทันสติปัญญาเรารู้ทันจะเห็นเลยใจเราไม่เที่ยง เปลี่ยนตลอดเวลาเลยแล้วการเปลี่ยนมันจะเป็นสุขหรือมันจะเป็นทุกข์หรือมันจะเฉยๆมันจะเป็นกุศลหรือมันจะโลภจะโกรธจะหลงหรือจิตจะหดหูจิตจะฟุ้งซ่านจิตจะเป็นอย่างไรก็ตามมันเป็นของมันเองเราสั่งมันไม่ได้หรอกแต่การที่เรามีสติรู้ลงไปแล้วเราจะเห็นเลยร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราจิตไม่เที่ยงจิตเป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้อนัตตาของกายกับใจนี่เหลื่อมกันนิดหนึ่ง คนละมุมกันอนัตตาของกายมันเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราหรอกอนัตตาของจิตมันบังคับไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนี่ดูอย่างนี้เราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกเราจะรู้ความจริงเลยทั้งกายทั้งใจนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยของซึ่งเราบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอํานาจเราอย่างแท้จริงมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษพอรู้ความจริงอย่างนี้นะความรักกายมันจะค่อยๆลดลง ความรักมันลดลงรักน้อยก็ทุกน้อยรักมากทุกมากถ้ารักเธอเท่าฟ้าก็ทุกท่วมฟ้าจำเอาไว้นะถ้ารักนิดๆหน่อยๆก็ทุกนิดๆหน่อยๆถ้าไม่รักก็ไม่ทุกหรอกแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้ให้ทิ้งเมียนะหลวมตัวไปแล้วก็ต้องรับกรรมรับวิบากจะมาเชื่อหลวงพ่อปราโมทแล้วทิ้งไปเลยทำผิดหน้าที่หลวงพ่อพุทธท่านบอกเป็นคนไม่มีสัจจะตอนไปแต่งกับเขาก็บอกจะดูแลกันไปรักชั่วฟ้าดินสลาย ไม่ทันสลายเลยมันทิ้งแล้วนี่คนไม่มีสัจจะท่านว่ายอย่างนี้นะเป็นมนุษย์ต้องมีสัจจะเราคอยรู้นะเราจะเห็นเลยที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์รักอะไรก็ทุกข์เพราะอันนั้นรักอะไรมากที่สุดรักกายรักใจฉะนั้นทุกข์เพราะกายเพราะใจของอื่นๆเรารักเพราะเป็นของเราเพราะเป็นตัวเรากายนี้เราถือว่าเป็นตัวเราแต่พอเรามีสติขึ้นมารู้สึกไหมกายไม่ใช่ตัวเราเป็นกายของเราลดฐานะลงแล้ว พอเรารู้สึกตัวขึ้นมาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วจากตัวเราลดสถานะเหลือเป็นแค่ของเรากายอยู่ห่างๆจิตมันแยกออกมาเป็นคนดูเห็นว่ากายไม่ใช่เราฝึกไปอีกเราจะเห็นเลยโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่จิตเป็นครั้งเป็นคราวฝึกต่อไปอีกตัวจิตก็ไม่ใช่เรามันเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจก็ดับที่ใจมันเกิดเกิดดับดับตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเราที่ถาวร ตัวเราที่แท้จริงไม่มีนี่ดูลงไปเรื่อยๆพอเห็นความจริงแล้วยอมรับได้ตัวเราไม่มีมันก็หมดความยึดถือไม่รักแล้วต่อไปนี้ถามว่าเกลียดไหมไม่เกลียดนี่คนในโลกถ้าไม่รักก็มักจะเกลียดใช่ไหมไม่ชอบรัฐบาลก็เกลียดรัฐบาลมีใครใจเป็นกลางกับรัฐบาลบ้างไหมไม่มีปกติไม่ค่อยเห็นนะไม่รักก็ต้องเกลียดความจริงมันน่าสงสารน่าสงสารสัตว์โลก หลวงพ่อพูดการเมืองได้เพราะพระก็พูดได้นะหลวงพ่อบอกว่าการเมืองที่ดีอย่าใช้ความรุนแรงแต่ในทางรัฐศาสตร์ความรุนแรงเป็นวิธีแก้ปัญหาทางการเมืองแบบหนึ่งพูดอย่างนี้ไม่ได้ยุเพราะเป็นพระใช้ความรุนแรงไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีหรอกแบ่งพักแบ่งพวกทะเลาะวิวาทหาความสุขไม่ได้สักคนหนึ่งเลยฉะนั้นขั้นแรกนะอย่าไปวิจารณ์รัฐบาลมากเลยวิจารณ์ตัวเองนะในบ้านเราเราปกครองดีแล้วหรื อ, อยัง มีพลเมืองอยู่สองสามคนนะ่ะดูซิเที่ยวว่าเขาโอ้รัฐมนตรีห่วยสสแย่นายกเสงิงเครง่งคนโน้นคนนี้หลอยโถ่อยอะไรอย่างนี้แล้วแต่บัญญตัติตัวเองนะ่ะปกครองคนในบ้านสองสามคนยังเอาดีไม่ได้เลยค่อยฝึกค่อยฝึกของเราไปแล้วเราจะเห็นโลกอย่างที่มันเป็นโลกมันน่าสงสารมากกว่าน่าเกลียดมันไม่ได้น่าเกลียดหรอกในใจอยู่กับมันอย่างมีความสุขแล้วทําตามหน้าที่ของเราไปมีหน้าที่อะไรก็ทํา มีหน้าที่ในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์มีหน้าที่พัฒนาตัวเองจำมาไว้นะมีหน้าที่อันแรกเลยคือพัฒนาตัวเองให้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเสร็จแล้วก็มีหน้าที่ทำประโยชน์ชาวพุทธมีหน้าที่สองอย่างทำประโยชน์ตนทำประโยชน์ท่านมีหน้าที่อย่างนี้ประโยชน์ตนเป็นหลักพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ทำประโยชน์ของตัวเองไม่ใช่หาผลประโยชน์นะ ประโยชน์สำคัญที่สุดในชีวิตที่มีสาระแก่นสารคือพัฒนาใจของเราไปจนกระทั่งเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นยิ่งพัฒนามากก็ยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความทุกข์ลดลงเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็ช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้คนไหนต้องการความช่วยเหลืออย่างนี้ก็ช่วยอย่างนี้คนไหนต้องการอีกแบบหนึ่งก็ช่วยอีกแบบหนึ่งช่วยไม่เหมือนกันเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าช่วยพระราหุนกับพระเทวทัตท่านช่วยทั้งคู่แหละ แต่พระเทวทัตท่านช่วยช่วยช่วยมันลงเอเวจีไปคนนี้ต้องไปเข้าโรงเรียนพิเศษโรงเรียนธรรมดาสอนไม่ไหวอย่างพระราหุนก็อบรมอย่างโน้อนอย่างนี้เพราะพระราหุนเป็นเด็กชอบพูดเล่นชอบพูดหลอกหลอกพูดเล่นคนองพระพุทธเจ้าสอนอย่าฝึกนิสัยที่ไม่ดีนะพูดเล่นพูดคนองเป็นการพูดเท็จเริ่มต้นทําชั่วเล็กน้อยก่อนโตขึ้นยิ่งกว่านี้อีกท่านสอนละเอียดฉะนั้นเราอย่ารู้สึกเอนดูนะถ้าลูกเราเริ่มกระลอน อุ้ยกระล่อนดีอย่างนั้นเริ่มสะสมยาพิษลงในหัวใจเด็กแล้วต้องให้เด็กรู้จักฉลาดให้เด็กมีสัจจะค่อยๆเรียนไปแต่อย่าให้เป็นสัจจะงโง่ๆ น, นะการพูดความจริงอย่างเดียวไม่ใช่สัมมาวาจาต้องมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างคือต้องมีประโยชน์ต้องพูดประกอบด้วยเมตตาพูดไพเราะพูดมีกาละเทศะฉะนั้นไม่ใช่ว่าพูดความจริงแล้วคือดีแล้วบางคนพูดความจริงแต่ไม่เพาะเลยบางคนพูดความจริงแต่ไม่ประกอบด้วยเมตตาฉะนั้นค่อยๆเรียน เรียนจนเห็นความจริงในกายในใจเรียนไปในที่สุดเราจะรู้ความจริงเลยาศาสนาพูดจริงๆคือตัวสัมมาทิฐิสัมมาทิฐิคืออะไรสัมมาทิฏฐิคือความรู้แจ้งอริยสัจอริยสัจคืออะไรอริยสัจมีทุก์อะไรคือทุกขกายกับใจคือทุกข์หน้าที่ต่อทุก์คือการรู้ถ้ารู้ทุกแจ่มแจ้งก็เป็นอันละสมุทยัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคขึ้นมาฉะนั้นหน้าที่ของเราแค่นี้ คอยรู้กายรู้ใจเรื่อยๆรู้ตามที่เขาเป็นไปเรื่อยๆวันหนึ่งจิตเข้าถึงความหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากความทุกข์ทุกข์ก็คือกายกับใจเพราะฉะนั้นจิตมันจะพรากออกจากกายออกจากใจ